สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับที่หลายๆคนหยุดและบางคนก็ว่างนะครับได้มีโอกาสที่จะเข้าเป่าพระเจ้านานหน่อยครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้หัวข้อคือชีวิตพระเยซูตอนที่เจดสิทครับพระเยซูทําอะไรกับชีวิตของผมเป็นคําพยานของผมเองนะครับอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องเพื่อที่จะเป็นการหนุนใจพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่บางครั้งอาจจะท้อใจอยู่บางครั้งอาจจะ รอคอยการทรงเรียกจากพระเจ้าอยู่บางครั้งอาจจะมีความไม่มั่นใจว่าเราเดินทางมานี้ถูกทางหรือยังพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมคติบทที่เก้าข้อสามสิบห้าถึงสามสิแปดนะครับซึ่งเป็นข้อพระธรรมที่สะกิดใจและประทับใจมากที่สุดในชีวิตของผมโบดฝังพระเจ้าของพระเจ้าครับพระเยซูจึงเสด็จดำเนินไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบทรงสั่งสอนในธรรมาศาลาของเขา ประกาศขาวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าทร <c oughs> งรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หายและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาถูกรังควานไร้ที่พึ่งดุดฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงแล้วพระองคตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าข่าที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุ น, นั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผล ของพระองค์พราะว่าจะนะพระเจ้าตอนนี้นะครับประทับใจและถือว่าเป็นการท่งเรียกที่พระเจ้าได้ส่งเรียกผมออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาพเพียงครับในข้อที่สามสิเจ็ดนะครับได้บอกว่าเป็นคำจัดของพเีเยชูเองนะครับให้กับพวกสาโบกบอกว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์พระเยซูเป็นผู้พยากรณครับและพระเยซูเป็นผู้บอกเราทั้งหลายว่าข้าวมีเยอะแต่คนเกี่ยวมีน้อยและพระเยซูก็สั่งให้สาวกของพระองค์อธิษฐานครับคาอธิษฐานของสาวกนั้นอธิษฐานมาถึงใครครับอธิษฐานมาถึงผู้รับใช้พระเจ้าผู้เกี่ยวดวงวิญญาณ น, นั้นครับทุกๆสมัยรวมทั้งผมด้วย เพราะฉะนั้นผมเองนั้นก็ได้รับพระกรุณาของพระเจ้าผมเองนั้นได้รับพระคุณผมถือว่าผมอยู่ในคำอธิษฐานของเหล่าสาวกของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วครับก็คือเป็นผู้ที่เป็นคนงานของพระเจ้ามาเก็บเกี่ยวผลผลของพระองค์ครับขอบคพระเจ้าครับที่พระเจนะของพระเจ้า ข, อา ข, อาข้อนี้ เป็นข้อที่เรียบนะครับเป็นข้อที่ทรงเรียบผมให้ออกมาทํางานแล้วใช่พระเจ้าเพราะงั้นผมเกิดอยู่ในคอบครวัวคริสเตียนแต่ผมอยากจะแ บ, บแบ่งปันคิดของผมให้กับพี่น้องหลายหลายท่านเคยฟังมาแล้วหลายหลายท่านเป็นผู้ใหญ่หรู้จักผมมาตั้งแต่เด็กหรือหลายๆท่านนั้นก็อาจจะได้ยินได้ฟังผมเล่ามาหลายรอบแต่วันนี้ผมจะสรุปคิดของผมออกเป็นสามระยะด้วยกันครับระยะแรกก็คือระยะเตรียมตัวระยะที่สองคือระยะเปลี่ยนผ่าน ระยะที่สามครับก็คือระยะเป็นปรับใช้เต็มเวลาพี่น้องครับระยะเตรียมตัวที่คือพระเจ้าได้ทรงพระคุณมากมายครับขอขอบพระคุณพระเจ้าขอถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ให้ข้าพเจ้านั้นได้เกิดมาในครอบครัวคริสเตี่ยนมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคริสเตียนคุณพ่อนั้นรักพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้มีโอกาสเกิดในคริสตจักรในโบสที่มีแต่ผู้หักที่ใหญ่ที่ดี นะครับขอบคุณพระเจ้าที่โบสนั้นก็มีระวีไว้ศึกษาขอบคุณพระเจ้าโบสนั้นมีที่เรียงและที่สําคัญที่สุดก็คือขอบคุณพระเจ้าที่มีศีลบาลที่ดีเป็นผู้ที่ดูแลเป็นที่วางระบบของโบสเป็นผู้ที่ได้ทําให้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นที่เกิดขึ้นในชีวิตของผมนั้นกลายเป็นกลายเป็นทุนต้นทุนในการในการรับใช้พระเจ้าต่อไปมีครอบครัวครับมีคริดจักครับ พี่น้องครับนี่คือการเตรียมผมได้เรียนระวีมีครูระวีที่รับผมเตืีอมสติผมเวลานี้ท่านจากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วผมก็คิดถึงท่านเสมอครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้หากไม่ได้ครูระวีนะครับชีวิตผมคงไปไหนไม่ได้ทุกวันนี้หากกลับไปแล้วคิดกลับไปแล้วไม่มีศาสนจจามีศรีบาลที่คอยดูแลชีวิตของผมมีพี่เลี้ยงที่คอยดูแลชีวิตของผมมีเพื่อนๆที่เวลาตกทุกข์ได้ยากนะครับเข้า อ, อธิษฐานเผื่อ และเขาก็ช่วยเหลือทั้งเงินทองทั้งคําอธิษฐานเยอะแยะมากมายเพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกันพี่น้องครับนี่คือระยะการเตรียมชีวิตของผมแต่เมื่อเข้าสู่การทรงเรียกในปีหนึ่งเก้าเก้าศูนนั้นพระเจ้าได้ให้ผมมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งในต่อมน้ําเหลืองนะครับเมื่อเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองผมได้มีโอกาสไขข่วนชีวิตและรู้ว่าชีวิตของผมนั้นได้ถูกเตรียมแต่การทรงเรียกทั้งนี้เองครับเป็นการทรงเรียกที่อัศจรรย์มาก เพราะขณะที่ผมกําลังเคลิมหลับนะครับเคลิ้มตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นผมได้รับพิมพ์จากพระเจ้าครับเหมือนกับมีคนคนหนึ่งนะครับได้เดินมาหาผมแล้วบอกกับผมว่าจงดูในพระธรรมมัทธิวบทที่เก้านะครับจงดูในพระธรรมมัทธิวบทที่เก้าท่านั้นเองหครับผมเชื่อและผมรู้ว่าผู้ที่มาบอกผมนั้นก็น่าจะเป็น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ได้ฉเฉลต์มาบอกผมเลยในให้ดูในมัทธิวบทที่เก้าและเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมได้เห็นในมิตรพระองค์เมื่อผมอ่านบทที่เก้านะครับจริงๆแล้วปกติผมจะไม่จําข้อพระคัมภีร์นะครับเพราะผมเป็นคนที่ขี้เกียจจานะครับและขี้ลืมด้วยทําให้ผมได้ลุกขึ้นมาทบทวนมัทธิวบทที่เก้าครับมับทธิวบทที่เก้าพูดถึงเรื่องของการรักษาโลก พูดถึงเรื่องของการที่คนเจ็บคนป่วยคนง่อยได้รับการรักษาให้หายพูดถึงเรื่องของการที่พระเยซูทรงเรียกเลวีนะครับหรือมัทธิวนะครับในขณะเดียวกันก็บุตรสาวของในธรรมศาลาและผู้ถูกต้องใจฉลองพระองค์ก็ได้หายนะครับมัทธิวบทที่๙ก็ยังพูดถึงคนตาบอดสองคนหายบอดก็ยังพูดถึงคนใ บ, บ้พูดได้จบยังทั้งมาถึงข้อที่สามสิบห้านี่แหละครับในข้อที่สามสิบห้าถึงข้อที่สาสิบแปดครับ เมื่ออ่านแล้วนะครับผมรู้เลยครับว่าพระเจ้าทรงเรียกแล้วเราต้องออกมาแล้วเราต้องทิ้งทรัพย์สินสิ่งของเงินทองและอวิชาชีพของเราที่เราเป็นวิชาชีพที่ค่อนข้างจะมั่นคงแล้วนะครับช่วงนี้ครับ1990พระเจ้าทรงเรียกผมครับ 1990-1995 ครับเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่สองในชีวิต ในขณะที่ผมได้มีโอกาสตับใช้พระเจ้าโดยการเรียนพระวจนะของพระเจ้านะครับสองปีครึ่งในการเรียนพระวจนะของพระเจ้าทําให้ผมนั้นได้มีคุณสมบัติในการที่ออกมาเป็นโรดใช้เต็มเวลาและในขณะเดียวกันครับผมยังอาไลอาวอ์ถึงวิชาชีพของผมที่ได้ร่ําเรียนมาและมีรายได้ที่สูงมาขอบคุณพระเจ้าครับที่ในช่วงนี้พระเจ้าได้ทรงสอนผมนะครับผมก็ยัง ไม่ยอมที่จะทิ้งนะครับและเมื่อปี1995นี่เองนะครับนะครับ1995 90-95 เป็นเฟสที่สองหรือระยะที่สองครับพระเจ้าได้ให้การเตือนสติผมอีกครั้งหนึ่งคือผมได้กลับมาเป็นโรคร้ายนะครับก็คือโรคมะเร็งตับนเหลืองซ้ำสองครับหลังจากผ่านมา5ปี5ปีเต็มครับขอบคุณพระเจ้าครับครั้งนี้พระเจ้าได้เปิดช่องทางการรักษาใหม่ก็คือเป็นการรักษาแบบรุนแรง คือการปลูกไข่ไหกระดูกครับนะครับโอกาสที่รอดออกมาก็น้อยนะครับแต่นั่นคือการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาผมให้หายขาดที่น้องครับหลังจากปีหนึ่งเก้าเก้าห้าแล้วผมต้องพักฟื้นอีกหนึ่งปีหนึ่งเก้าเก้าหกออกมารับใช้พระเจ้าเต็มเวลาตอนนั้นเลิกหมดทุกอย่างครับเลิกหมดทุกอย่างเลิกที่จะเป็นหมอฟันนะครับเลิกที่จะคิดถึงอนาคตชีวิตของตัวเองฝากอนาคต ของชีวิตตัวเองและครอบครัวไว้อยู่ในพระหัตของพระเจ้าหลังจากนั้นมาครับพระเจ้าก็ดูแลมาตลอดพี่น้องครับผมอยากจะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าสำหรับชีวิตตั้งแต่ปีหนึเก้าเก้าหกมานะครับชีวิตของผมเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงความสัมพันธ์ของผมกับพระเจ้านะครับผมรู้จักพระเจ้าดีขึ้นเรื่อยๆผมทํางานรับใช้พระเจ้าดีขึ้นเรื่อยๆผมมีกําลังที่มาจากพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆมีสติปัญญาที่รับจากพระเจ้าามก และมีพระอิง ญ, ญาณบริสุทธิ์เกิดผลในชีวิตของผมมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าโปรเทคพระเจ้าปกป้องคุ้มครองให้ผมพ้นจากซึ่งชั่วร้ายซึ่งเป็นคําอธิษฐานของผมนะครับสม่ำเสมอและประจําเลยครับให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายให้พ้นจากการทดลองของมารซาตานให้พ้นจากความบาปต่างๆพี่น้องครับผมเป็นคนบาปผมทําบาปผมปรักพระเจ้าพระเจ้าชาระชีวิตของผม พระเจ้าปกป้องชีวิตของผมให้อยู่ห่างไกลจากความผิดความบาปพี่น้องครับผมทําผิดผมอธิษฐานสารภาพผมดําเนินไปด้วยความเชื่อฟังขอพระเจ้าได้ทรงโปรดรับเกียรติครับและตรงนั้นนั่นเองทําให้พระเจ้าได้อวยพรชีวิตของผมและครอบครัวพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าอยากจะให้ชีวิตของผมนั้นเป็นบทเรียนของพี่น้องอีกหลายหลคนนะครับถามว่าความผิดพลาดมีไหมครับมีครั บ, ม, รบมีเยอะครับแต่พระเจ้าได้ชําระ พระเจ้าได้ทรงมีพระคุณพระเจ้าแก้ไขประเด็นที่สําคัญที่สุดคือเราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังหรือเปล่าครับถ้าเราดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังเรายอมให้พระเจ้าเป็นใหญ่และเรากลับไปคิดพิจารณาให้ควรรับผพลของพวงบ่อยๆนะครับชีวิตของเรายอมจํานวนกับพระเจ้าครับแต่เมื่อพระเจ้าใช้พระเจ้าจะให้เกิดผลมากสวายเกียรติพงศ์ตามชอบพระไถยของพวงนะครับขอขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้ทรงให้ คำพยานนี้จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ไม่ใช่ยกย่องตัวเองแต่ขอพระเจ้าได้ทรงให้คำพยานนี้เป็นที่หนุนใจพี่น้องเป็นบทเรียนของหลายๆคนที่กําลังจะถวายตัวแด่พระเจ้ากำลังอยากจะรักพระเจ้ากำลังอยากจะสอยอาหาณน้ำมันไทของพระเจ้าต่อไปครับอาเมน